ตอนที่ยีสบสามการรับหลานบุญธรรมที่มาถึงอย่างกระทันหันฟู่เซียงหยางถึงกับมองจนตาค้างเหตุใดก่อนหน้านี้เขาถึงไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่าหนังงดงามได้ถึงเพียงนี้เขาจ้องมองสตรีที่เปล่งประกายเจิดจ้าผู้นั้นตาไม่กระพริบหัวใจคล้ายถูกมือที่มองไม่เห็นบีบเค้นจนแน่นทั้งขมขื่นละบวมพองความรู้สึกเสียใจภายหลังแทบจะท่วมท้นจนมิดตัวเขารอยยิ้มที่สมบูรณ์แ บ, บบบนใบหน้าของหลินหวันชิงเองก็เริ่มปรากฏรอยร้าวในวินาทีที่เห็นไปหนิงหนิง เห็นได้ชัดว่านางเองก็คิดไม่ถึงว่าภรรยาของฟู่ชิงหานจะมีรูปลักษณ์เช่นนี้แต่นางก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนางถือจอกเหล้าก้าวเดินอย่างสง่างามด้วยท่าทางของเจ้าบ้านเข้าไปต้อนรับนางเลือกที่จะเมินเฉยต่อไปนิงน่งๆดวงตา ง, งามคู่นั้นจ้องมองฟู่ชิงหานอย่างหวานซึ่งน้ำเสียงนุ่มนวลจนแทบจะคั้นออกมาเป็นน้ำได้ชิงหานในที่สุดท่านก็มาเสียทีฆ่ายอย่างนึกว่าท่านจะไม่ยอมมาพบข้าแล้ว ทั้งน้ำเสียงและแววตานั้นเต็มไปด้วยความลึกซึ้งของการได้พบกันใหม่หลังจากการจากลาอันยาวนานและความน้อยเนื้อต่าใจที่แฝงอย่างเบาบางราวกับว่าระหว่างพวกเขาทั้งสองเคยมีอดีตที่สลักจิตฝังใจกันจริงๆทว่าฟู่ชิงหานกลับไม่ได้ปลายตามองนางตรงๆเลยแม้แต่น้อยเขากลับเบี่ยงตัวเล็กน้อยปกป้องไปหนิงๆนิงไว้ในอ้อมกอดให้นั่นขึ้นเป็นท่าทางของการแสดงความเป็นเจ้าของและการปกป้องจากนั้นเขาจึงใช้โทนเสียงที่เหินห่างอย่างที่สุดราวกับกําลังคุยเรื่องงานแนะนําให้หลินหวันชิงรู้จักว่า คุณหนูหลินขอแนะนําหน่อยนี่คือภรรยาของผมไปนิง่งนิ่งคำว่าคุณหนูหลินเทียงคําเดียวก็ผลักระยะห่างระหว่างคนทั้งสองออกไปไกลแสนไกลคําว่าภรรยาของผมเปรียบเสมือนการประกาศกล้าวที่ก้องกังวานที่สุดเพื่อประกาศฐานะของไปนิงหนิงและยิ่งเหมือนฝ่ามือที่ตบลงบนใบหน้าของหลินหวานชิงอย่างแรงใบหน้าของหลินหวัานชิงซีดลงไปถนัดตาในทันทีอ๋อที่แท้ก็คือหูหญินของชิงหานี่เองสวัสดีนะจ๊ะ ไปหนิงหนิงมองสตรีที่ท่าทางสง่า ง, งามตรงหน้าแต่กลับญ่าจะซ่อนประกายคมปรับในดวงตาไว้ได้หนาในใจของนางขยับอีกครั้งแต่นางกลับเพียงยิ้มบางๆยกน้ำผลไม้ในมือขึ้นกล่าวกับหลินหวานชิงว่าคุณหนูลินสวัสดีข่างานเต้นรําของคุณประสบความสําเร็จมากยินดีด้วยนะคะท่าทางของนางไม่นอบน้อมและไม่โอหังไม่ได้ซักไซสเหมือนพวกสตรีปากตลาดและไม่ได้ลดตัวลงไปหิงหงแย่งชิงแต่กลับใช้ท่าทีที่ราบเรียบดุดเมฆพัดลมโชยเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้าคือคนข้างกายเขาส่วนเจ้าเป็นเพียงคนนอกที่ต้องได้รับคํายินดี ลิ้นหวานชิงยังไม่ยอมแพ้นางฝืนยิ้มค้างไว้สายตาจัจ้องไปที่ใบหนิงหนิงดูเหมือนกําลังชื่นชมแต่แท้จริงแล้วกลับแฝงคมดาบไว้ในคําพูดฟูเทเทชันงดงามจริงๆเสื้อผ้าชุดนี้ก็มีเอกลักษณ์มากเพียงแต่ไม่ทราบว่าฟูเทเทเป็นคนที่ไหนหรือคะฟังจากสำเนียงแล้วดูไม่เหมือนคนท้องถิ่นของเมืองจริงเลยค่าเติบโตในเมืองจริงมาตั้งแต่เด็กต่อมาก็ไปฝรั่งเศสจะมีความสนใจในขนบมรมเนียมของแต่ละท้องทีงท่มากเป็นพิเศษ นางกำลังโอ้อวดชาติตระกูลที่สูงส่งและความรอบรู้ของตนเองในขณะเดียวกันก็กําลังเตือนทุกคนอย่างแนบเนียนว่าไปหนิงหนิงเป็นเพียงคนต่างถิ่นเป็นนางเด็กบ้านนอกที่เข้าสังคมชั้นสูงไม่ได้ไปหนิงหนิงยังไม่ทันได้อ้าปากน้ําเสียงเย็นชาของฟู่ชิงหานก็ดังขึ้นภรรยาของผมจะเป็นคนที่ไหนก็ไม่ต้องลําบากคุณหนูหลินให้ต้องกังวลหรอกคุณแค่ต้องรู้ว่าตอนนี้นางคือคนตระกูลฟู่เท่านี้ก็พอแล้วพูดจบเขาก็คลานจะมองหลินหวานชิงอีกแม้เพียงแวบเดียวเขาจูมือไปหนิงหนิงโดยตรงแล้วถามด้วยเสียงนุ่มน อยู่หรื อ, อยังทั้งนั้นมีของกินผมจะพาคุณไปคนทั้งสองเดินผ่านหลินหวานชิงไปราวกับไม่มีใครอื่นอยู่ในสายตาทิ้งไว้เพียงแผ่นหลังที่เด็ดเดี่ยวและสนิทสนมให้นางมองตามมือที่ถือจอกเหล้าของหลินหวานชิงสั่นเทาเล็กน้อยเล็บที่ตกแต่งมาอย่างประณีตแทบจะจิกเข้าไปในใจกลางฝ่ามือฟู่ชิงหานนี่นหรือเมียดีๆที่ท่านหามาช่างไรการศึกษาถึงกับกล้าเมินเฉยข้าเช่นนี้งานเต้นรําดําเนินต่อไป เมื่อเสียงดนตรีวอรนที่ไพเราะดังขึ้นฟู่ชิงหานก็จูมือไปหนิงหนิงก้าวเข้าสู่ฟลอร์เต้นรําจังหวะการเต้นของเขามั่นคงและทรงพลังจังหวะการเต้นของไปหนิงหนิงแม้จะดูเก้ะเก๊เกลางๆแต่ทั้งสองกลับประสานงานกันได้อย่างไร้ที่ติประกอบกับฝ่ายชายที่ลหล่อเหลาและฝ่ายหญิงที่งดงามปานหยาดฟ้าราวกับคู่กิ่งทองใบหยกที่ดึงดูดสายตาของคนทั้งงานทว่าไปหนิงหนิงกลับสังเกตเห็นได้อย่างเฉียบคมว่าสายตาที่คนรอบข้างมองมาที่พวกเขานั้นเริ่มแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆ นั่นไม่ใช่เพียงความทึ่งหรือความอิจฉาริษยาธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยการสำรวจที่ลึกซึ้งกว่านั้นความเห็นอกเห็นใจหรือแม้กระทั่งความเวทนาพวกเขามองนางราวกับกำลังมองตัวแทนที่งดงามแต่หน้าเศร้าไม่ต้องใช้สมองคิดก็รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดระหว่างฟู่ชิงหานกับหลินหวันชิงผู้นั้นจะต้องมีอดีตบางอย่างที่นางไม่รู้และเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับโดยดุษณีและอดีต นี้ก็เปรียบเสมือนเชือกที่มองไม่เห็นซึ่งคันธนาการฟู่ชิงหานไว้และกลายเป็นมาตรฐานที่ทุกคนใช้ตัดสินตัวนางหัวใจของไปหนิงหนิงค่อยๆจมดิ่งลงแม้ว่านางจะไม่เห็นลินหวานชิงอยู่ในสายตาแต่านางก็เกลียดการถูกนําไปเปรียบเทียบเช่นนี้เมื่อเพลงจบลงนางก็หยุดฝีเท้าเงยหน้ามองฟู่ชิงหานในดวงตามีความดื้อรั้นแฝงอยู่โดยที่นางเองก็ไม่รู้ตัวนางอยากจะถามแต่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่สําหรับถามและต่อให้สถานที่เหมาะสม นางก็ไม่อาจลดตัวลงไปถามได้นางแต่งงานกับเขาเพราะการแลกเปลี่ยนนางมีสิทธ์อะไรจะไปก้าวไก่เรื่องในอดีตของเขาอีกอย่างเหตุดนางต้องใส่ใจด้วยเกี่ยวอะไรกับนางกันนางที่เป็นถึงผู้สืบทอดของตระกูลวอนยุธโบราณตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ต้องมาหึงหวงแย่งชิงกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ช่างเสียเกียริสิ้นดีในขณะที่นางกาลังคิดฟุ้งซ่านประตูถงงานเต้นราก็ถูกผลักเปิดออกอีกครั้ง ชายหนุ่มคนหนึ่งสวมแว่นตากรอบทองเขาคือเลขาจาังเลขาของท่านผู้นําเฉินที่มาจะปรากฏตัวในข่าวโทรทัศน์บ่อยๆเขาเดินกึ่งวิ่งเข้ามาท่ามกลางการห้อมล้อมของเหล่าทหารองครักษ์เขาไม่ได้สนใจคําทักทายของใครทั้งสิ้นเดินตรงผ่านฝูงชนไปหยุดอยู่ตรงหน้าไป้หนิงหนิงและฟู่ชิงหานบนใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเคร่งครึมอย่างที่สุดไป้หนิงหนิงผู้พันฟู่เสียงของเลขาจังดังกังวานและชัดเจนพอที่จะทําให้คนทั้งโถงได้ยิน ผมรับคําสั่งจากท่านผู้นําเฉินให้มาประกาศการตัดสินใจเรื่องหนึ่งเขาหยุดไปครู่หนึ่งสายตากวาดมองไปทั่วทั้งงานสุดท้ายก็หยุดอยู่ที่ใบหนิงหนิงแล้วผู้เสียงดังด้วยน้ําเสียงที่เกือบจะเป็นการประกาศสักดาว่าท่านผู้นําเฉินมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ช่วยชีวิตและเพื่อเติมเต็มความเอ็นดูที่มีต่อคุณท่านผู้เท่าจึงตัดสินใจประกาศอย่างเป็นทางการว่าขอรับสหายใบหนิงหนิงเป็นหลานสาวบุญธรรมของท่าน เสียงของเลขาจาังเปรียบเสมือนระเบิดน้ําลึกที่ถูกโยนลงไปในทะเลสาบที่เงียบสงบก่อให้เกิดคลื่นยักย้ายโถงกระนําในห้องโถงจัดเลี้ยงที่หรูหราโออาประโยคนี้ทุกคําล้วนมีน้ําหนักมหาศาลกระแทกเข้ากลางใจของทุกคนอย่างแรงทั้งโถงตกอยู่ในความเงียบเงันราวกับป่าช้าจากนั้นตามมาด้วยเสียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆที่ดังขึ้นระงมหลานสาวบุญธรรมของท่านผู้นําเฉินนี่หมายความว่าอย่างไร นี่หมายความว่าฐานะของไป๋หนิงหนิงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าพลิกดินในวินาทีนี้เองนางไม่ใช่หญิงกัมพร้าที่ไร้อำนาจและไร้หัวนอนปลายเท้าอีกต่อไปไม่ใช่เหนียบ้านนอกที่ต้องพึ่งพิงฟู่ชิงหานถึงจะยืนหยัดอยู่ได้อีกต่อไปนางได้กลายเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลเฉินผู้มีชาติตระกูลและเบื้องหลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศที่พึ้นของนางไม่ใช่เพียงฟู่ชิงหานอีกต่อไปแต่คือรัฐบุรุษผู้ร่วมก่อตั้งประเทศที่ได้รับความเคารพมากที่สุดในหัวกัว ฐานะนี้เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนในที่แห่งนี้ต้องแงนหน้ามองนางไม่เป็นไปไม่ได้สีเลือดบนใบหน้าของหลินวันชิงจางหายไปจนหมดสิ้นในพื้นตาร่างกายของนางโงนเงนินแทบจะถือจอกเล่าทรงสูงในมือไว้ไม่อยู่ทุกสิ่งที่นางภาคภูมิใจชาติตระกูลที่รุ่งโรยรัศมีของนักออกแบบที่เคยไปฝรั่งเศสฐานะที่ถูกค้อมล้อมราวกับดวงดาวล้อมเดือนไม่อยู่ต่อหน้าคําว่าหลานสาวบุญธรรมของท่านผู้นําเฉินเจ็ดคำนี้กับถูกบทขยี้จนแหลกละเอียดกลายเป็นเรื่องตลกที่ใหญ่โตที่สุด นางอุตสาวางแผนจัดงานเต้นรำนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะข่มขวัญไปหนิงหนิงเพื่อแสดงให้เห็นว่านางต่างหากที่เป็นรักแรกในใจของฟู่ชิงหานแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นพิธีสถาปนาของไปหนิงหนิงไปเสียได้และนางเองก็กลายเป็นตัวตลกที่ประเมินค่าตัวเองสูงเกินไปพยายามจะท้าทายภรรยาตัวจริงความรู้สึกเหนือกว่าเรื่องชาติตระกูลที่นางเคยแสดงต่อไปหนิงหนิงก่อนหน้านี้ในเวลานี้กลับเหมือนฝมือที่ตกลงบนใบหน้าของนางซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างแรงจนแสบร้อนไปหมด ส่วนอีกด้านหนึ่งขาของโจาอาวีเฟิร์นก็อ่อนแรงไปหมดแล้วนางต้องเกาะโต๊ะข้างๆไว้ถึงจะพอพยุงตัวไม่ให้ล้มพับลงไปกับพื้นได้หลานสาวบุญธรรมของท่านผู้นำเฉินนางนึกถึงเรื่องที่ตนเองเคยกลั่นแกล้งและ ด, าด่าทอไปหนิงหนิงสารพัดก่อนหน้านี้แถมยังเคยคิดจะฮุบเงินบำนาญของนางความหวาดกลัวที่เย็นเยยบขุมหนึ่งพุ่งจากฝ่าเท้าตรงขึ้นสู่สมองทันที ชูเสียวเสียวยิ่งอิจฉาจนแทบพังนางกับหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อลึกแต่กลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแม้แต่น้อยใบหน้าที่งดงามของนางบิดเบี้ยวเพราะความริษยาในใจกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดไปนิ่งนิงถึงได้มีวาสนาที่ฟ้าถล่มดินทลายเช่นนี้เริ่มจากเรียนเกียรติยศตามได้เงินรางวัลหนึ่งแสนหยวนและตอนนี้ยังจะมีการรับเป็นญาติอีกหรือไปนิ่งนิงหญิงกพัพาราที่ต้องอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ผู้นี้ถึงกับจะได้กลายเป็นหลานสาวของท่านผู้นำเฉิมแล้วหรือ นางอุตสาวางแผนอย่างแยบยลถึงขั้นต้องใช้แผนแต่งงานพระท้องถึงจะพอเบียดตัวเข้าสู่ประตูตระกูลฟู่ได้แต่ไปหนิงหนิงกลับยืนอยู่บนจุดสูงสุดที่นางไม่อาจเอื้อมถึงได้ตลอดชีวิตอย่างง่ายดายนี่มันช่างไร้เหตุผลสิ้นดีทั้งที่นางเป็นคนได้เกิดใหม่แท้ๆเป็นคนที่มีบทละครแห่งโชคชะตายอยู่ในมือส่วนฟู่เซี่ยงหยางที่อยู่ข้างๆนั้นสมองว่างเปล่าไปหมดเหลือเพียงความเสียใจและสิ้นหวังอย่างไม่สิ้นสุด เขามองไปที่ไปหนิงหนิงที่ยังคงยืนทำงานอย่างสง่างามและมีสีหน้าเรียบเฉยท่ามกลางสายตาที่ยำเกรงของฝูงชนหัวใจของเขาเหมือนถูกแมวขวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขารู้ดีว่าระยะห่างระหว่างเขากับไปหนิงหนิงไม่ใช่แค่อสภัยกับล้านชายอีกต่อไปแต่มันคือพื้นดินกับท้องฟ้าสิ่งที่เขาผลักสายออกไปกับมือไม่ใช่แค่ภรรยาคนหนึ่งแต่เป็นบันไดที่จะนำพาเขาไปสู่ความสําเร็จหากตอนนั้นเขาไม่ถอนมั่นหากไม่ถูกชูเสียวเสียวล่อลวงคนที่ยืนอยู่ข้างนางในตอนนี้ก็คือตัวเขาเอง สายตาของแขกเรือทั้งงานก็เปลี่ยนไปพายในเวลาไม่กี่สิบวินาทีนี้จากความเห็นใจและเวทนากลายเป็นความยำเกรงและอิจฉาจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นการประจบสอพลอผู้คนนับไม่ถ้วนเริ่มเสียใจว่าเหตุใดเมื่อครู่ถึงไม่รีช่วยโอกาสเข้าไปทําความรู้จักและผู้คนอีกนับไม่ถ้วนเริ่มวางแผนว่าจะทําอย่างไรถึงจะประจบเอาใจคุณหนูตระกูลเฉินคนใหม่ผู้นี้ได้